หมู่มิตรมีเครือข่ายในหมู่บ้านแต่ว่าคนในเมืองเดีย๋ยวนี้ก็อยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ถ้ามีครอบครัวนะ ก, ก็แล้วไปนะแต่ว่าถ้าเกิดคนในครอบครัวลมหายตายจากไป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 ใจมันก็คิดไปต่างๆนานาและใจที่คิดไปต่างๆนานาเนี่ยนะมันก็ทำให้ว้าวุ่นสารถึงจุดหนึ่งก็จะรู้สึกเหงาขึ้นมาที่จงคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเสียพ่อเสียแม่ไปหรือว่าเสียสามีหรือว่าไม่มีแฟนเนี่ย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 มีเพื่อนนะแต่ว่าถ้ามันฉาบเฉวยเนี่ยพอกลับมาอยู่บ้านคนเดียวก็อาจจะเหงาได้อันนี้เป็นมากนะทุกคนสมัยใหม่โดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทําให้เฟซบุ๊กนี่นะเป็นที่นิยมมากนะเพราะว่าผู้คนรู้สึกเหงารู้สึกว่าวเว ร, รู้สึกโดดเดี่ยว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 ถึงแม้ว่ามีพ่อมีแม่หรือว่าอยู่กับพ่อแม่แต่ก็ยังเหงาเความเหงาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้องการคนมาพนองอั ต, ตาเพราะว่าถ้ามีแฟแล้วเนี่ยแฟนก็จะทําตามใจเราหรือว่าเขาก็จะอแสดงความรักต่อเราความรู้สึกว่าเรามีคนรักก็ทําให้เราสูว่าเราเป็นคนสําคัญอถ้า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 เขาเสือก า, าต้องการชุมชนนะอันนี้พูดแบบวิชาการนะต้องการชุมชนสังกัดนะวัดนิ่มก็สามารถจะเป็นชุมชนให้เขาได้มาสังกัดได้นะมีบางวัดที่มีคนขึ้นเนี่ยเป็นแสนนะเลยเป็นล้านเลยนะเพราะว่ามันตอบสนองความต้องการอย่างเนียงคนของคนเมืองจึ่งรู้สึกเหงานะเหงาแล้วก็เลยต้องมาหา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 คนที่ชอบประดิษฐ์ปดอยเนี่ยมีฉันทะนะในการทอผ้าในการสารกระบุงตะกร้านะหรือว่าจัดดอกไม้เขาก็จะไม่รู้สึกเหงานะเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีเพื่อนเหมือนกันนะแต่ว่าคนไทยก็เองนั่นแหละนะฉันทะเนี่ยในการทําสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีเพราะเดี๋ยวนี้เราเนเรื่องการฝ่ายเสกมากกว่าใยทำนะถ้าฝ่ายทำเนี่ยนะ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 ก็คือว่าพอไม่มีสิ่งเสบเนี่ยก็จะจิตใจก็จะว้าวุ่นนะไม่มีที่เกาะนะเสร็จแล้วจิตที่ว้าวุ่นเนี่ยมันก็กลับมาเล่นงานตัวเองนะกลับมาเล่นงานตัวเองก็คือทาให้รู้สึกว้าวุ่นฟุ้งซ่านนอนไม่หลับแล้วก็เหงานะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาลงที่ความคิดนั่นแหละหรือกลับมาลงที่จิตใจนะความเหงาองผู้คน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 หนีด้วยการไปช็อปปิง้งไปเที่ยวห้างบ้างละ่ะนะหรือว่าไปคลุกคลีกับเพื่อนไปเที่ยวผับ mm hmm. ทเที่ยวบาร์นี่ก็หนีตัวเองแม้แต่การเล่นเฟซบุ๊กการเล่นไลน์ก็เป็นการหนีตัวเองอีกแบบหนึง่งนะแล้วคราวนี้พอไม่มีอะไรจะให้หนีเนะี่ยพอไม่มีอะไรจะให้ทําเนี่ยหรือพอไม่มีช่องทางที่จะหนีเนี่ยนะก็จะรู้สึกเคว้งรู้สึกว่าวุ่นรู้สึกเหงาแล้วเนี่ย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 หรือว่าไม่สามารถจะเป็นมิจกตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยแล้วมันจะเป็นมิจกคนอื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดแบบฟันธงก็คือว่าที่เหงานี่เพราะว่าไม่เป็นมิจกตัวเองนะไม่เป็นมิจกตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นมิจกตัวเองได้อย่างไรนะทุกคนเนี่ยก็พูดว่าฉันรักตัวเองรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยแต่เคยตั้งคาถามไหมว่า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 แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะคนเราเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะเราก็มาอยู่ในโลกนี้เราก็มาคนเดียวถึงเวลาตายเราก็ตายคนเดียวนะแล้วเวลาเราทุกข์เราก็ทุกข์คนเดียวนะเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยนะถึงแม้เราจะมีเพื่อนนะมา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 ความไม่เข้าใจอันหนึ่งคือไม่เข้าใจความทุกข์ของเธอไม่เข้าใจว่าเธอเนี่ยเจ็บปวดทรมานแค่ไหนนะอันนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นกับเฉพาะอะคนไข้คนนี้นะทุกคนแหละเวลาทุกนเนี่ยนะเราจะรูสึกวาความทุกข์ของเรามันใหญ่มากแล้วเราจะรู้สึกว่าคนอื่นนี่ไม่เข้าใจความทุกข์ของเราแม้จะเป็นคนใกล้ชิดแค่ไหนเขก็มไม่เข้าใจเราอันนี้เรียกว่าป่วยเนี่ยถึงแม้เวลาป่วยเนี่ย คนมาห้อมร้อมแค่ไหนแล้วก็ต้องป่วยคนเดียวแล้วก็ต้องทุกคนเดียวไม่ตเราพูดถึงว่าเวลาตายแล้วก็ตายคนเดียวฉะนั้นถ้าถ้าตอนนี้ค่ที่เรายังสุขสบายดีอยู่เนี่ยเรายังไม่รู้จักนะหาทางอยู่กับตัวเองให้เป็นนะแล้ว ถ, ถึงตอนเ ว, เวลาที่เราป่วยเนี่ยตอนที่เวลาเราประสบความทุกข์ประสบกับความพัดพลากสูญเสียเนี่ยแล้วเราจะอยู่อย่างไรเพราะในยามนั้นเนี่ย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 แต่มันไม่อย่างนั้นนะใจนี่มันเข้าไปจดจ้องไปจ้องไปเพ่งไปปักเตึงอยู่ความปวดนะก็เลยแปลว่าปวดทั้งกายปวดทั้งใจมินําซ้ำนี่จะไปไปคิดถึงเรื่องความตายบางละไปคิดถึงอ่าเหตุการณ์ที่ไม่ดีบางละคิดน้อยอกน้อยใจนะมันไปขุดคุ้ยความทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยมาเล่นงานจิตใจ อันนี้เป็นพ่ออะไรนะเพราะว่าเราไม่รู้จักนะทาใจให้เป็นมนะิตรเพราะเราไม่เคยฝึกเลยนะผู้ จ, าจ้าตรัสว่าเนี่ยคนผ่านปัญญาสามเนี่ยย่อมทํากับตัวเองเหมือนศัตรูนะทากับตัวเองเหมือนกับศัตรูเนี่ยอย่างอย่างยาก็คือว่ากินเหล้าสูบบุหรี่หรือว่า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 เห็นหลายคนนะมีคนอยู่ด้วยกันมากมายนี่ก็ทะเลาะ ก, กันมีพ่อก็ทะเลาะ ก, กับพ่อมีแม่ก็ทะเลาะ ก, กับแม่มีแฟนก็ทะเลาะ ก, กับแฟนนะเออไม่มีก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ถ้ามองแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ไม่รู้สึกเหงาในทกสื่อว่าเออฉันก็โชคดีนะอันนี้คือโอกาสที่ฉันจะได้เรู้ที่จะอยู่กับตัวเอง คนเราเนี่ยถ้าหากว่าล่าเลยโอกาสในการที่จะอยู่กับตัวเองให้เป็นนะอันนี้ถือว่าอาประมาททีเดียวเพราะว่าการอยู่กับตัวเองให้เป็นเนี่ยหรือว่าการเป็นมิตรกับตัวเองเนี่ยมันสาคัญมากในการที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยหลุดจากความทุกข์ได้ในเวลาที่เราเจอความผัน ผ, ลผลลวนปลุนแปลในชีวิตเจออุปสรรคหรือว่าเจอวิกฤต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 นะพอมองแง่บวกเขาเออตกงานก็ดีเหมือนกันนะก็จะได้มีเวลาไปดูแลพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนนะอันนี้ก็ต้องอาศัยใจนะใจที่มองรู้จักมองบวกหรือว่าใจที่ยอมรับธรรมดาว่ามันก็เป็นธรรมดานะเจ็บป่วยนี่ก็ธรรมดาไม่มีใครที่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่ว่าฉันจะจากัดปัญหาให้มันแค่เป็นป่วยกายนะแต่ว่าใจไม่ป่วย คนเราเวลาทุกข์กันนะอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นมากนักนะเดียถึงแม้จะมีเพื่อนมีมูมิท ม, มากมายเนี่ยเขาก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะค่อช่วยได้ในเรื่องเงินทองในเรื่องอายาหยูกยาเรื่องที่พักแล้วก็คำคาพูดที่ไพเราะปิยวาจาแต่ว่าจะหมดทุกข์หรือไม่อยู่ที่ใจของเรา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 จนกระทั่งค่าตัวตายก็มีเพราะเรื่องเล็กน้อยนั่นการการที่การที่เราเนี่ยถาว่าเรารู้สึกเหงาเนี่ยนะไม่ว่าอยู่ในสภาพไหนก็ตามมันเป็นตัวฟ้องนะว่าเรายังฝึกใจไม่ดีพอและขณะเดวยวกันก็เป็นการเตือนว่า เราต้องมามาฝึกใจของเราเนี่ยให้ให้เข้มแข็งฝึกใจให้กลับมาเป็นนี้กับตัวเราให้ได้ น, ะนั้นมองในแง่ในความเหงาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะรวมทั้งความเบื่อด้วยก็เป็นประโยชน์นะมันกําลังสะท้อนถึงปัญหาว่าเรายังมีจุดอ่อนตรงไหนเรายังฝึกไม่เพียงพอ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 เจ็บป่วยนะเจ็บป่วยด้วยโรครายเนี่ยถึงตอนนี้นี่นะมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ดันะั้นการที่เรามานะกลับมาเห็นความสำคัญของการฝึกใจนะเพื่อมาเป็นมิกรกัตัวนี้เป็นเรื่องที่จาเป็นมากทีเดียวนะและถ้าเราสามารถจะทำให้ใจของเราเนี่ยนะเป็นมิกรกัตัวเราเองได้นะ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 การทําให้ใจเป็นมิตกับตัวเองทําได้หลายอย่างนะเช่นการสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นนะะถ้าเรามีความรู้สึกตัวเวลาทําอะไรนะใจมันจะไม่ไปคิดโน่นคิดนี่นะที่ทําให้รู้สึกเหงาที่ทำให้รู้สึ ก, สกว้าวุ่นที่ทําให้รู้สึกหงุดหงิดนะแต่เพราะใจเนี่ยนะมันมันว่างเกินไปนะนะมันไม่มี